ภิกษุณีทุลรนันธากล่าวกับสิกขามานานั้นว่าแม่คุณถ้าเธอจะให้จีวรแก่เราเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะบวชให้เธอและไม่บวชให้ไม่คนคว้ใช้ให้บวชให้ลำดับนั้นสิกขามานานั้นจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตนําหนิประนามพนธนาว่าฉนัยแม่เจ้าทุลรนันธาจึงกล่าวกับสิกขามานานว่า